ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านม า, าพระในจังหวัดชายภูมิก็เป็นข่าวนะทั่วประเทศผงแรกก็คือหลวงพ่อของเราเป็นข่าวเพราะว่ า, า น, นัทมรบภาพแล้วก็มีพิธีตรงสรีระของท่านอย่างที่เราทราบกั น, นวันที่หหลังจากนั้นสามวันนะก็มีข่าวมีเหตุการณ์ที่คนเขาจับตาจ้องมองทั่วประเทศเลยก็ว่าได้เพราะว่า นี่หลวพ่อรุ่นหนึ่งนะั่นคือกลวทิมท่านประกาศวจะละสังขานวันที่เก้าเดือนเก้าเวลาสามทุ่มนะก็คือการบริการเหมือนกันอันนี้คนเราคงได้ยินข่าวนะผลก็หลั่งไหลกันไปไปกราบท่านรคับตั้งแต่ไปกราบท่านนี้ตั้งแต่ก่นอนหน้านี้แล้วมีหลายท่านเนี่ยตอนที่มหาตา ม, มาแล้วก็บอกว่ามา กราบคารวะหลวงพ่อเสร็จ แ, แล้วก็บอกว่าเนี่ยเสร็จจากนี้ก็จะไปกราบหลวงพ่อพิมพนะที่คอนสารหลายคนก็จับตามองว่ า, าท่านจะมรณะภาพจริงไหมก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะก็มีข่าวว่าตำรวจนี่เข้าไปไปช่วยท่านนะพาท่านเข้าโรงพยาบาลนะเพราะว่าคงมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายนะว่า มันมีข้อกฎหมายว่าใครก็ตามที่อปล่อยให้บุคคลตายต่อหน้าต่อตาโดยที่ไม่ช่วยเหลือนี่ถือว่าผิดกฎหมายถือว่าวเราเป็นการทําหน้าที่พลเมืองดีอะไรทํานองนี้นะอันนี้ก็คงเป็นข้อกฎหมายที่ทําให้ทางตํารวจนะต้องเข้าไปกุฏิท่านเมื่อเมื่อคืนนี้นะแล้วก็นําท่านส่งโรงพยาบาล ก็แสดงว่านะท่านไม่ได้รับสังขารวันที่เก้านะแล้วก็วันที่สิบท่านก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าอ right ิดโรยเพราะว่าไม่ได้ฉันน้าไม่ได้ฉันข้าวนะก็จะว่าตอนนี้ก็อยู่โรงพยาบาลคอนศาลอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันมากนะว่าสิ่งที่ท่านทํานี่มันถูกไหมหรือเถียงกับแม้กระทั้งว่าสิ่งที่ตํารวจทํานี่ถูกไหมนะอันที่จริงหลวงพ่อพิมพ์นี่กับอาตมานี่ก็รู้จักกันนะ เพราะว่าจริงๆแล้วนีท่านมาบวชภรรษาแรกก็ที่นี่แหละวัดป่ามหาวันภูหลงท่านอยู่ที่พูหลงมาหลายภรรษานะตอนที่ท่านมานี่ท่านก็มาเป็นเป็นคารวาดเพิ่งทำงานเสร็จจากซาอุนะไปทำงานที่ซาอุหลายปีแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายในเพศคาวาดก็เลยอยากจะหาที่บวชน้องชายของท่านเป็นพระอยู่ที่วัดอนงคารามก็รู้จักกับตมา แล้วก็รู้จักกับพระที่มาบวชที่ภูหลงก็เลยแนะนำว่าเนี่ยให้ลองมาดูที่ภูหลงดูถ้ามาเห็นแล้วก็เป็นสถานที่พิพศธก็พอใจนะตอนนั้นท่านก็45แล้วก็เลยบวชบวชแล้วก็มาอยู่ที่ภูหลงก็เป็นพระที่ตั้งใจปฏิบัติมากนะแล้วก็แข็งขันในการทำงานตัวเล็กๆนี่เหมือนกับแทรกเตอร์เลยนะ ขนอีดขนหินขนไม้ขึ้นขึ้นภูนะไปปลูกกุฏิไปสร้างกุฏนะิท่านเรียกว่าแข็งแรงมากเพราะว่ามีประสบการณ์การทำงานที่ซาอุมาหลายปี mm hmm. หลังจากที่รับผิดชอบเรื่องครอบครัวได้จบจบสิ้นก็มีมีภลระก็มาบวชมาบวชแล้วท่านก็ปฏิบัติเต็มที่นะแต่หนักไปทางสมถะนะนะท่านชอบธรรมถะ ก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเทวดาเกี่ยวกับเรื่องอพบภูมิต่างๆนะอยู่เป็นครั้งคราวอันะเป็นั้งหมดนี้เรื่องของกางความตั้งใจปฏิบัตินี้ท่านท่านมีมานานแล้วนะแต่ว่าพออยู่ผู้หลงได้สักสี่ห้าปีมั่งก็ก็อยู่รุ่นเดียวกับหลวงปู่วรเทพแหละคุณเคยกันดีมากนะสองสองรูปนี้คุ้นเคยกันดีมากแต่หลวงปู่วรเทพนี่ประมาณปีสามเก้าท่านก็ ย้ายไปมหาสา ร, รคามไปอยู่กับหลวงพ่อมหาไหลตอนหลังหลวงพ่อพิมพนั่นก็ก็ย้ายไปนะก็ไปสร้างวัดหรือไปอยู่วัดเยลุวันเข้าใจว่าตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นวัดใหญ่โตอะไรเลยนะเป็นวัดเล็กๆหรือว่าเพอ่อๆจะเป็นที่เป็นแค่สำนักสงฆ์ก็ได้นะแต่ว่าคการที่ท่านตั้งใจปฏิบัตินะชวนคนมาทำวัดสดมนต์เป็นประจำ ตอนอยู่ภูหลงที่ท่านก็นะมีโยมศรัทธายเยอะก็มาทาวัาสวดมนต์กับท่านตอนเย็นเป็นประจำทุกวันนะแล้วก็ภายหลังท่านก็ไปสร้างวัดใหม่นะที่คอนสารนะตอนหลังก็ได้เป็นพระครูนะก็ไม่ได้พบกันนานนะมาได้ข่าวที่ทีอ้าวก็ท่านประกาศว่าจะละสังขารนะเวลาพูดถึงละสังขารเนี่ยถ้าเป็นความการประกาศ ล่วงหน้านี้ก็มักจะเข้าใจาหมายถึงว่ามีอาการที่เจ็บป่วยแล้วนะแล้วก็พอถึงกําหนดเวลาก็จะร่างกายมันก็หยุดทํางานไปเองมันก็ปิดสวิตช์นะแต่ว่าจากกรณีของท่านเนี่ยร่างกายก็ยังปกติอยู่แต่ว่าที่ละสังขารก็ละในความหมายที่ว่าไม่ฉันอะไรเลยนะไม่ฉันน้าไม่ฉันอาหาร ก็เลยกลายเป็นว่าถึงวันที่10บแล้วก็ยังไม่ละเพราะว่าธาตุธาตุขันรูกประขันนี่ดินน้ำไฟลมก็ยังอยู่ครบนะยังไม่แตกดับเอาคนไปเข้าใจว่าเนี่ยถ้าถึงวันที่9เดือน9ก้าสมทุ่มนี่ท่านก็จะเหมือนกับว่าหยุดลมหายใจหมดลมหายใจไปเลยคนไปเข้าใจอย่างนั้นก็เลยตื่นตื่นเต้นแต่ว่าความจริงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะก็คือว่าท่านก็รอให้ค่อยๆ ค่อยๆหมดเลือดหมดแรงหมดกาลังวังชาไปเพราะว่าไม่ฉันน้าไม่ฉันอาหารเพราะฉะนั้นวันที่สิบก็ยังอยู่ยังมีลมหายใจอยู่ยังยังเป็นปกติธรรมดาเพียงแต่ว่าอิดโรยตํารวจนี่เขาก็มองว่าหรือพูดรักษากฎหมายท่านก็มองว่านี่เป็นการพยายามฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของตํารวจนะที่ต้องช่วยนะเพราะว่าถ้าตํารวจไม่ช่วยตํารวจก็ผิดนะก็เลยเข้าใจคงคิดได้นะก่อนนั้นนี้ก็ก็คงเห็นว่าเป็นสิทธินะของ หลวงพ่อนะแต่พออาการมันมีเขาเหมือนกับว่าท่านจงใจที่จะตายในลักษณะที่มองแบบช้าวโลกเป็นการฆ่าตัวตายก็เลยต้องช่วยนะพาส่งโรงพยาบาลนะก็ไม่ทราบว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรนะแต่ว่ามองในแง่ดีคือว่าหลวงพ่อท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นะก็ยังสามารถจะทำประโยชน์ให้เยอะ แต่ว่าไอ้ผลตามมาหล้วจากนั้นนี่จะเป็นอย่างไรเช่นบางคนก็มองว่านี่เป็นการสร้างภาพหรือว่าเป็นการปลุกกระแสแล้วก็แล้วแต่ที่จริงนี่หลวงพ่อท่านไม่มีอะไรนะเท่าที่เท่าที่รู้จักมาท่านไม่มีความเรื่องความโลภนี่ท่านไม่ไม่มีในทางที่จะติดในลาบสักการละนะแต่ท่านคงเชื่อจริงๆนะว่าถึงมาที่9เดิน9ท่านจะไป แต่ว่าถ้าเหตุปัจจัยมันยังไม่พร้อมก็ mm hmm. ยังไปไม่ได้นะอันนี้กเ็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยแต่ว่าคนก็มองกันต่างมุมอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่หลายคนสนใจและเพ อ, เอิญก็อัตมาก็มีส่วนได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับท่านอยู่บ้างนะมาตั้งแต่แรกๆเลยนะคนที่ภูคนที่วัดป่าคนที่ตาลินทฮารู้จักท่านข้างหน้าหลวงพ่อพิมพหลวงพ่อพิมพ์นะ แต่ว่าคนที่สุขตัวอาจจะไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าท่านนานๆท่านไม่ค่อยจะมาที่นี่เลยมั้งนะท่านอยู่ที่ภูหลงเป็นหลักในช่วงที่อยู่บนหลังเขานี้แล้วก็เตรียมรับพร